أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين ولا أدعوان إلا للظالمين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم الله الح ملك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا ر ض ي د ولك الحمد بعد رضا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الأولين والآخرين ว่าฉะลูอันนบียะนาอุมห์มัมมัดอับดุลฮ์วาอัลลัดะออล ل و, ه ه و ك ลล์คาฟลุนอัมบะอัสลามุอะลัยกุมวะราะห์มะาราพี่น้องที่รักครับมาพูดคุยกันอีกครั้งหนึ่งนะครับในรายต้นแบของข้อลอซุบฮะนะฮฺวะตาลาคับ เรายังคงคุยกันในส่วนของส ورة อัลอาลา่าส ورة อัลอาลา่าซับมิฮสมร บ, บิกัลอาลาครับพี่น้องที่รักทีนครับเราคุยกันตอนนี้นะครับมาอยู่ในช่วงของอายาที่15นะครับผมหลังจากที่เรากล่าวว่ากอสอัฟละฮามันตะซักกะวาดะกะรอสมรบบิฮิฟศัลลาลในนวันผู้ที่ขัดเกานั้นย่อมได้รับชัยชนะผู้ที่ขัดเกาแล้วเขาก็ได้ลำลึกถึงงามของนายของเขา แล้วก็ได้ทําการละหมาดโบลล์ุบาร์ตารีพูดถึง3ระดับ 3. การงานที่ว่าใครก็ตามที่ต้องการประสบความสําเร็จในชีวิตอย่างแท้จริงนี่คือสิ่งที่เขาต้องทําให้ได้และนี่คือสิ่งเดียวเท่านั้นที่เขาจําเป็นจะต้องทําให้ได้พี่น้องความสําเร็จครับในปัจจุบันครับยิ่งช่วงนี้นะครับกระแสที่มาค่อนข้างจะแรงแล้วก็มุสลิมเราหลายคนก็ลหลงไหลได้ปื้มนะครับกับการประสบ ชชนะหรือว่าความสำเร็จนะครับของอกลุ่มผู้เป็เศรษธาครับในช่วงของกีฬากีฬาฮกก่มต่างๆก็มีที่พูดคุยกันนะครับแต่ประเด็นที่ค่อนข้างน่าเป็นห่วงนะครับผมนี่คือกีฬาที่ทำให้คนทั้งโลกเนี่ยรุ่มหลงกับมันได้แล้วก็ ในชัยชนะเนี่ยก็ทำให้คนรู้สึกว่านี่แหละคือชัยชนะที่ยิ่งใหญ่มันเป็นชัยชนะระดับโลกเลยนะเราสามารถชนะได้ทั้งโลกเลยนะหรือทีมที่ฉันเชียร์เนี่ยชนะนะบางคนก็อาจจะเล่นพ น, นันกับอบอลโลกบางคนไอาทาสิ่งที่เป็นอไวามุกบางคนไอทำสิ่งที่ขัดกับกฎหมายสิ่งที่ผิดกับผูมิคุ้มชดียะต่างๆมากมายโดยที่เขารู้สึกว่าไม่ได้รู้สึกผิดอะไรนี่คือชัยชนะของฉันนี่คือสิ่งที่เขา อ, อยากเตือน อยากเตือนแล้วก็ขออยากเตือนครับเพราะประเด็นที่เราจะพูดคุยเกี่ยวันวันนี้ก็คือฝรั่งแล้วเขาก็ได้ทําการละหมาดผู้ที่ประสบชัยชนะเนี่ยครับนอกจากเขาต้องหมั่นขัดเกลีจิตใจตัวเองเป็นประจำแต่มาด้วยการที่เขาต้องนำลึกถึงนามของพี่บาลของเขาเป็นประจำเขาต้องเป็นผู้ที่ละหมาดเป็นประจำโพลล์สบานูวตาบอกว่าต่อให้คนทั้งโลกจะมองว่าความสําเร็จคืออะไรการประสบชัยชนะคืออะไรนี่คือบรรทัดฐานมาตรฐาน ของพร้อัลลอฮฺสุบฮฺนะฮฺอูวาาละแปลว่าต่อให้คุณทั้งโลกครับจะยกย่องว่าใครกลุ่มไหนประเทศไหนประเทศไหนก็ตามครับได้รับชัยชนะหรือประสบความสำเร็จถ้าเขาไม่สามารถทำสามข้อนี้ได้มุสลิมเรามองว่าเขาไม่ได้ประสบชัยชนะเขาไม่ได้ประสบความสำเร็จแล้วเราจะไม่ลงไหนได้ปื้มกับเขาเกินขอบเขตที่มันควรจะเป็นอันนี้ก็ข อ, อนุญทั้งตัวผมเองแล้วก็พี่น้องที่ผมรักนะครับเราต้อง มองให้ขาดเราต้องมีความรู้สึกที่มันชัดเจนแล้วความสุขความทุกข์ในดุนยาในน่นพุรล้อไม่ได้ห้ามตับใดก็ตามที่มันไม่ได้ขัดกับเป้าหมายที่แท้จริงของเราในอาร์เคียร์ครับผมก็รักใครก็รักเผื่อเกลียดเกลียดใครก็เกลียดเผื่อรักเป้าหมายความสำเร็จในชีวิตก็ต้องมองให้ชัดตามที่พอรล้อได้ส่งกับไว้ครับวาร์ซาการัสมาลบบิฮิฟัซัลล์เขาก็พูดที่ได้ทําการ ลำลึกถึงนามต่างๆของผู้ l o ุ t u าน h a n ว a t a แล้วเขาก็ต้องทําการละหมาดอย่างที่เราพูดคุยกัน ป, ประจํานะครับผมแล้วก็พี่น้องก็น่าจะศึกษากับอาจาหลายท่านละการศรัานั้นไม่ใช่แค่เรื่องของหัวใจแล้วก็ไม่ใช่แค่เรื่องของลิ้นแต่การศรัานั้นคือองค์ประกอบที่เกิดขึ้นจากการศรัทธาของหัวใจบวกกับการกระทําของลิ้นแล้วก็การกระทําของร่างกาย ขาดสิ่งหนึ่งสิ่งใดไปไม่ได้เด็ดขาดถ้าเราจะอ้างว่าตัวเองเป็นมุสลิมถ้าเราจะอ้างว่าเราศรัทธาต่ออัลลอฮ์นี่คือสิ่งที่เราจำเป็นต้องทำคือใจเราศรัทธาลิ้นเราก็ต้องพูดในสิ่งที่สอดของแล้วพฤติกรรมของเราก็ต้องทำในสิ่งที่แสดงว่าเรานั้นศรัทธาในอัลลอฮ์สุบานหัวตาอย่างแท้จริงแล้วพฤติกรรมที่ชัดเจนที่สุดครับ พฤติกรรมที่ชัดเจนที่สุดพฤติกรรมที่เป็นเสาหลักในศาสนาพฤติกรรมที่ว่าเป็นสิ่งแรกที่บ่าวจะถูกสอบสนนวนเยาวนกียามะพฤติกรรมที่มันเป็นสื่อเป็นสายสัมพันธ์ระหว่างบ่าวกับนายของเขานั่นคือการละหมาดครับพี่น้องการละหมาดนั้นได้ชื่อถูกเรียกว่าอัศรละอัศรละคือการขอพรคือการขออุบะแปลว่าสุดยอดของการขอพรนั้นคือการ ละหมาดการที่เราได้ละหมาดเพราะในละหมาดนั้นเรามีทุกอย่างการละหมาดนั้นคือการขัดเกลาวจิตใจการละหมาดนั้นคือการลำลึกถึงพระนามต่างๆของพู้รอสุบฮานหัวตาราถูกไหมครับเพราะนั้นการละหมาจึงเป็นการรวมเอาเงื่อนไขที่จะประสบความสำเร็จทั้งหมดเลยอินลตเตนฮาอินฟชอมักมการละหมาดนั้นห้ามปามจากความชั่วและสิ่งที่หลามุกแปลว่าการละหมาดนั้นเป็นการขัดเกลจิต แล้วก็ขัดเกลาพฤติกรรมของเราวันนี้เกิดเรามาดูครับก็อฟลาฮกอฟอาร์พระมันจะเล็กแว่าะกลอสมารบีฟอสเล้พวกเราพูดถึงเงื่อนไข3มข้อแล้วพวกเรามาลงท้ายด้วยว่าแล้วเขาก็ได้ทําการละหมาดเพราะมันจะเป็นสิ่งที่รวมทั้งหมดที่ว่ามาทางเรื่องของการขัดเกลวเพราะผู้ที่ขัดเกลวนั้นเขาย่อมจะรักการละหมาดท่านอับดุลเบี๊ยมอัม ล, อลมาสโลย์สารบอกว่าสิ่งที่ทําให้ใจฉันสงบมากที่สุด สิ่งที่เป็นแก้วตาดวงใจของฉันคือการละหมาดมุสลิมเราจะรักการละหมาดแล้วเมื่อเรามีปัญหาเราจะคิดถึงการละหมาดเป็นอันดับต้นๆ น, นี่คือหัวใจที่ได้รับการขัดเกาแล้วแล้วพอยิ่งละหมาดมันก็ยิ่งขัดเกาเราแล้วในละหมาดพี่น้องสังเกตไหมครับมีการล้ำลึกถึงพระนามต่างๆของพวกลอสซูบาร์โนอาตาอะไรแค่ตอนเริ่มเราก็เริ่มด้วยกับอัลลอฮุอักบัสตักบีดด้วยกับพระนามของลอร์คืออัลลอฮหลังจากนั้นเรากลาบิสมิลลาห์บิสมิลลาห์ อัลลอฮ์ม็ดอัลลอฮีมีอีกสองพระนามผู้เมตตาทุกสรรพสิ่งผู้เมตตาผู้ศรัทธาหลังจากนั้นระหว่างกุรอานซึ่งก็มีพระนามของผู้รอดต่างๆนะนามมากมายอยู่ในนั้นเพราะฉะนั้นการละหมาดก็เป็นการล้ำลึกคิดถึงผล้รอดด้วยกับพระนามต่างๆของพระองค์ดังนั้นมันจึงเป็นสิ่งที่รวมครอบคุมทั้งหมดแสดงถึง إ ي م านของคนคนหนึ่งแปลว่าถ้าเราอยากรู้ว่า إ ي م านของเรามีแค่ไหนพี่น้องไม่ต้องดูอะไรมากดูตอนที่เราละหมาด ตอนที่เราละหมาดในเราละหมาดเรารักการละหมาดไหมแล้วเวลาเราละหมาดเนี่ยเราคิดอะไรบ้างเพราะการละหมาดมันจะเป็นสิ่งที่กลั่นออกมาจากศรัทธาของพวกเราทุกคนสังเกตดูครับช่วงในที่ศรัทธาเรามีปัญหาเราจะไม่ค่อยอยากละหมาดหรือถ้าเราละหมาดละหมาดเราก็จะไม่ค่อยมีคุณภาพเพราะการละหมาด คือการที่เราสามารถประเมินแล้วก็วัดเราได้เลยว่าตกลงเราอยู่ระดับไหนเพราะว่าการในสรามุหมินุเขาบอกกัอัฟละฮันมูมินุอัลลัดีนฮุมฟีซัลาติฮิมข้าชิยอูนวัลลัดีนฮุมอันอลลาวีมูอริดูนวัลลัดีนฮุมดิสซเกติเาอิลูนพวกเราบอกว่าผู้ศรัทธานั้นประสบชัยชนะเรียบร้อยแล้ว ประสบชัยชนเรียบร้อยแต่อให้คนทั้งโลกจะไม่คิดว่าเราประสบชัยชนะแต่เราประสบชัยชนะเหนือคนทั้งโลกที่ไม่ใช่ผู้ที่ศรัทธาต่อพระเจ้าเรียบร้อยแล้วครับหากว่าเราทําตามที่พ保罗บอกได้พ罗บอกอบอกงไรครับผู้ศรัทธานั้นประสบชัยชนะได้รับชัยชนะประสบความสำเร็จแล้วอัลลลดีนาฮุมคือบรรดาผู้ที่พวกเขานั้นมีความเกรงกลัวตอนที่เขาละหมา ละหมาดแล้วมีความกลัวพี่น้องกลัวอะไรครับกลัวว่าจะไม่ได้ละหมาดกลัวอะไรครับกลัวว่าเราจะไม่รักกลัวอะไรครับกลัวว่าสิ่งที่เขาทํานั้นมันปราณีตดีพอไหมกลัวอะไรครับกลัวว่าเขานั้นจะตายเมื่อไหร่ก็ไม่รู้การงานเขามีพอหรือเปล่ากลัวอะไรกลัวเพราะเขารู้ว่าพระเจ้าของเขานั้นเป็นผู้ที่ยิ่งใหญ่เพียงใดเพราะฉะนั้นอัลเลดีนะฮุมฟีโซลาติหิมคอชิอุนราจึงบอกว่าผู้ศรัทธาที่ประสบ ความชนะประสบความสําเร็จเนี่ยถ้าจะตรวจสอบง่ายๆข้อแรกเลยที่เราบอกนั่นแหละดูว่าตอนละหมาดมีขรุขระไหมมีความสงบไหมมีความหวาดกลัวต่ออัลลอฮ์ไหมพอรู้กัต่อครับวะลลัลลินะฮุมอันิลลักรมูริดูแล้วเขาคือผู้ที่ออกห่างจากสิ่งที่ไร้สาระประเด็นนี้ยิ่งชัดเจนเลยพี่น้องหากอยากรู้เรามีความศรัทธาแค่ไหนดูว่าเวลาเจอสิ่งไร้สาระเราทําังไงกับมันมั่งเราทุ่มเทกับมันจนลืมอาคิรตหรือเปล่า เราดูบอลเราเล่นเกมเราดูการ์ตูนเราดูหนังเราทําอะไรก็ตามแต่นินทาชาวบ้านพูดเรื่องที่ไม่ดีทําสิ่งที่ไร้สาระแล้วทาสิ่งเหล่านี้มากเพียงใดเราเจอแล้ว ร, รู้สึกยังไงผู้ศรัทธาที่ประสบความสุขเร็จนั้นพอเขาเจอสิ่งที่ไร้สาระเนี่ยเขาจะออกห่างเลยเขาจะออกห่างด้วยกับความที่เขารู้ถึงคุณค่าของเวลาที่เขาเหลืออยู่ วัน ล, ละดีนะครับดิสกาติฟกดูและเขาคือบรรดาผู้ที่ทำในเรื่องของการบริจาคทานพี่น้องที่รักยิ่งครับทุกครั้งครับเมื่อมีการพูดถึงอามันอิบะดาถ้ามีการเรียงลำดับการละหมาดจะมาก่อนการบริจาคเสมอการละหมาดจะมาก่อนการบริจาคเสมอแล้วหลายครั้งที่ทั้งสองอันเนี้ยจะถูกกล่าวไว้ใกล้ๆกันหลายครั้งเมื่อพอเราพูดถึงการละหมาดพวกเราจะพูดถึงการสัการ ละหมาดคือการขัดเกลีจิตใจร่างกายแล้วอกาศคือการขัดเกลาทรัพย์สินจึงเป็นการขัดเกลีที่สมบูรณ์งดงามแต่เมื่อมีการเรียงลำดับยังไงการละหมาดก็จะมาเป็นอันดับแรกแล้วนบีทุกท่านให้ความสําคัญกับการละหมาดแล้วสั่งเสียลูกหลานของท่านด้วยเช่นเดียวกับเมื่อพูดถึงนบีอิซาครับผมท่านนบีอซาได้พูดถึงวะฮีเทออร์ ALL. ประทานมาให้กับท่านตอนที่ท่านนั้นได้พูดตั้งแต่แบเบาซึ่งครับตั้งแต่เด็กที่บอกว่าฉันเป็นบ่าวของอัลลอฮ ท่านนบอกวยครับว่าอุศานีบิศบิษณุลาติแะจักรติมาดุมตุย ي ا ในสุลัยมารยัมครับที่พระเะ้าให้นบีอาีซาเนี่ยพูดมาเพื่อเป็นการให้ปกป้องเกียรติยศของคนเป็นแม่เพื่อการเป็นการประกาศความบริสุทธิ์ของผู้เป็นแม่ว่าท่านิงมาริยัมนั้นไม่ได้มีลูกผ่านการทำซีนานะนบีซานั้นเป็นลูกของนางจริงๆไม่ใช่พระเจ้า เพียงแต่ว่าเป็นลูกที่พ่อเลาะให้เกิดมาโดยที่ไม่จําเป็นต้องมีพอ่อหลังจากที่ท่านอบีอีซาครับประกาศความบริสุทธิ์ของแม่ของท่านแล้วท่านอบีสซาได้บอกว่าไงครับแล้วนายของฉันได้สั่งเสียฉันให้ทําการละหมาดแล้วก็ทําการจ่ายซะกาตตราบใดก็ตามที่ฉันยังมีชีวิตอยู่ ว, เวะเาาซิิตตตมุย จนชีวิตจะหาไม่นั่นแหละครับแปลว่าการละหมาดเนี่ยไม่ใช่ละหมาดครั้งเดียวเราเป็นคนเคร่งเราเป็นคนดีแล้วนะไม่ใช่บางคนบอกโอ้วันเนี้ยฉันละหมาดมีสมาธิฉันเคร่งแล้วแปลว่าฉันเป็นผู้ศรัทธาประสบชัยชนะแล้วอย่างก่อนมาดึงตัวให้ยาต้องรักษามันให้ได้ไปจนช่วงช่วงสุดท้ายช่วงสุดท้ายในชีวิตของเราทําให้ได้ครั้งสองครั้งเนี่ยครับไม่ใช่เรื่องยาก เวลาเรามีปัญหามากๆเวลาเราเครียดมากๆเวลาเราดีใจมากๆเราอาจจะละหมาดอย่างคุชัวได้สักครั้งสองครั้งแต่การจะรักษา ก, การละหมาดให้คุชัวตลอดเวลาเนี่ยให้มันมีพลาดน้อยที่สุดให้มันมีเออร์น้อยที่สุดเท่าที่เป็นไปได้เนี่ยต้องเป็นผู้ศรัทธาเท่านั้นและนั่นคือผู้ที่เขาประสบชัยชนะเรียบร้อยแล้วท่านอบีซาห์ย้ำเขาว่าพวกเราสั่งใช้นเรื่องการละหมาดเพราะว่าการละหมาดมีมาตั้งแต่สมัยท่านอบีอีลาเช่นเดียวกันครับถ้าเราดูมีก่อนหน้านั้นอีกนับตั้งแต่ สมัยไบิอิบรอฮีมกับนบีอิสมาอินแลอย่างที่เราทราบกันครับนบีอิสมาอินครับผู้อัลลอฮ์ได้พูดถึงข้อดีของท่านพู้อัลลอฮ์ได้พูดถึงคุณลักษณะพิเศษของนบีอิสมาอินอย่างที่เราทราบครับจุดเด่นของนบีอิสมาอินมีมากมายครับเป็นลูกที่ต่ออาตต่อพ่อแม่เป็นลูกที่เชื่อฟังพ่อแม่เป็นบ่าวที่ดีของอัลลอฮ์เมื่อพู้อัลลอฮ์สั่งว่าให้เอาพระให้เอาท่าน่ไปเชือ่อท่านก็บอกเลยว่าเชือ่อฉันได้เลย เพราะล้สั่งฉันพร้อมท่านอับดุสไมลินะมีจุดเด่น ม, มีข้อดีมีความเป็นบ่าวที่ดีมากมายพแต่พี่น้องรู้ไหมเมื่อพวกล้อเลือกจะหยิบยกข้อดีของท่า น, าานอับดุสไมลินพวกล้อไม่ได้บอกข้อดีที่ว่าอ๋อเวลาเขาโดนจะโดนเชื่อดนะเขายอมให้เชื่อแต่โดยดีแต่พวกล้อเมื่อพูดถึงคุณลักษณะข้อดีของอับดุสไมลินพวกล้อบอกว่าไงครับเวลแก่เนี่ยยะมุรุอัลละหูบิศซาติวะซะกัต سبحانallah เมื่อผู้ละพูดถึงข้อดีของนบีอิสมาอินผู้ละบอกว่านาบีอิสมาอินนั้นเขาเป็นผู้ที่สั่งใช้ครอบครัวของเขาบิสซาเลาตีให้ทําการละหมาดพี่น้องให้ทําการละหมาดไปว่าอะไรครับผู้ละบอกว่านี่คือจุดเด่นของท่านนาบีอิสมาอินอะลิสลาติวัสสลาม วแกะยาโมลูอัฮะลูบิสซาลาติวาซาแกตสั่งใช้ทำการลมาดแล้วก็สั่งใช้ให้ทาการจ่าย z a t าแกอินดรบม า, แ ล, า, จจาแล้วเขานั้นก็เป็นที่รักเป็นที่พอพระไทยนะที่พระลอสุบฮาหนะฮวาตาละรปุเรหบอกว่าที่ปรหะพอใจพอพระไทยท่านบดสมีนมากที่สุดคืออะไรครับความดีของท่านมากมาย แต่ที่พวกเราบอกว่าท่านบิสมีนั้นเป็นที่พอใจจากลเราครัว่าพอใจพวกเราใช้กับใครก็ตามที่บทสรุปชีวิตของเขาเป็นคนดีหลายเปอร์เซนต์พวพอใจเขาแล้วหมือนกับที่พวกเราบอกพวกเราที่พอพระเจ้าบันดาลสหภาพซึ่งคือเป็นการยืนยันรับรองว่าจุดจบของท่านเหล่านั้นคือจุดจบที่งดงามเมื่อท่านพูดถึงเมื่อปวาัสมาพูดถึงบิสมีนท่านบอกว่าพเพราะเขานั้นสั่งใช้ครอบครัวไม่ใช่แค่ตัวเองละหมาดนะสั่งใช้ครอบครัว ให้ทําการละหมาดแล้วก็ทําการถือสิโนโอดเพราประการแรกเพระาะการละหมาดเนี่ยทำให้ท่านบิสมัยเนี่ยเป็นที่รักของผู้อัลลอฮ์ประการต่อมาท่านละหมาดท่านไม่ลืมครอบครัวของท่านท่านเรียกครอบครัวของท่านเพราะถือว่าเป็นอามานะของท่านสร้างครอบครัวที่เป็นบาตที่ดีนี่คือคําถามก็ว่าแล้วเราเนี่ยเคยเรียกครอบครัวของเราให้ทําการละหมาดมากแค่ไหนเราให้ความสําคัญมากแค่ไหนกับการละหมาด ต, ตัวเราเองก่อน หลังจากนั้นก็แล้วครอบครัวของเราแหะถ้าครอบครัวของเราให้ความสำคัญกับอย่างอื่นก่อนเลยอ่าพวกนี้ฉันจะมีสอบนะฉันต้องรีบอ่านหนังสือนะหรือว่าเนี่ยมีงานนะมีเชียร์ลีดมีอะไรก็ตามแต่ถ้าเขาให้ความสำคัญกับสิ่งอื่นมากกว่าการละหมาดเราต้องสอบสวนตัวเองละอย่าเพิ่งไปว่าเลยเขาสอบสวนตัวเรเองก่อนว่าเราสอบตกในฐานะของสมาชิกในครอบครัวไหมที่ว่าไม่สามารถทําให้คนในครอบครัวเห็นความสําคัญข อ, ของการละหมาดได้นี่คือสิ่งที่มสุสซิมต้อง สอบสวนตัวเองเป็นประจำซึ่งเราก็จะกลับไปคำว่าอ่า God of Love นันต่ลกผู้ที่ว่าเขานั้นขัดเกลาจิตใจของเขาเพราะนั้นพี่น้องครับถ้าเราสังเกตดูสามข้อนี้ครับมันเป็นสามข้อที่ว่ามันจะผูกพันกันแล้วมันก็จะอยู่ด้วยกันตลอดเวลาพี่น้องแล้วมันจะเสริมกันและกันผู้ที่ขัดเกลาเขาจะที่ถึงผู้อัลลอ์เขาก็ทาการละหมาด ผู้ที่คิดถึงอัลลอฮ์เขาจะขัดเกลาตนเองเขาจะทําการละหมาดผู้ที่ละหมาดเขาก็จะขัดเกลาตนเองแล้วก็จะคิดถึงโฟล์ลัสบานอวตาละเพราะฉะนั้นทั้ง3อย่างเนี่ยเกี่ยวพันกันส่งเสริมกันและกันแล้วขาดสิ่งหนึ่งสิ่งใดไปที่เหลือจะไม่มีทางเป็นสิ่งที่สมบูรณ์ได้และนี่คือเงื่อนไขที่ทําให้เรานั้นประสบชัยชนะประสบความสําเร็จในชีวิต อย่างแท้จริงครับผมพี่น้องอยากให้เราโฟกัสจริงๆนลว่าเนี่ยคือความสำเร็จในชีวิตของฉันที่ฉันต้องไปถึงให้ได้อย่างอื่นใน d u n y าถ้าได้อัลฮัมดุลิลละหา ก, พกาัพุรลอเมตตาให้ฉันมีบ้านอัลฮัมดุลิลละหา ก, พกาัพรลอเมตตาให้ฉันมีครอบครัวมีคู่ครองที่ดีอัลฮัมดุลิลละหากพกราุรลอเมตตาให้ฉันมีอายุไขที่ยืนยาวอัลฮัมดุลิลละมีอาหารที่ดีอัลฮัมดุลิลละได้เที่ยวอัลฮัมดุลิลละ แต่สิ่งที่ฉันต้องการมากที่สุดคือการที่ฉันนั้นได้เป็นบ่าวที่ดีของโป้งได้ขัดเกลาใจิตใจตลอดเวลาได้คิดถึงโป้งแล้วได้ละหมาดนี่แหละคืออัลฮัมดุลิลละมากที่สุดแล้วในชีวิตของเราถ้าพี่น้องมองอย่างนี้ได้ปัญหาดุนยาจะเล็กลงถ้าพี่น้องให้ความสำคัญกับสามอย่างนี้ให้เป็นสามอย่างที่มันเป็นเป้เปาหมายหลักของเราขัดเกลาใจิตใจตนคิดถึงนามต่างๆของผู้ล้อ แล้วก็ได้ละมาดถ้าเราให้สามอย่างนี้เป็นเป้าหมายหลักในชีวิตของเราปัญหาในดุนยามันจะเบาลงทงันทีเลยเพราะที่ปัญหาในดุนยามันหนักเพราะเราให้ความสำคัญกับมันไงครับเวลาเรากินอาหารไม่อร่อยเจออาหารไม่อร่อยเราให้ความสำคัญกับมันเราเครียดกับมันเราบน่นหรือบางทีเราทดสอบฟันเราหลุดฟันเราร่วงกินอาหารที่เราชอบไม่ได้เราก็เครียดล้วก็เสียใจ ไม่ได้ไปเที่ยวเครียดเสียใจเห็นคนอื่นทํำในสิ่งที่เราทําไม่ได้มีความอิจฉามีความเครียดมีความเสียใจมีความโกรธมีความเกลียดทั้งหมดเพราะเรามองผิดที่เพราะเราให้ความสําคัญผิดที่เมื่อให้ความสําคัญผิดที่ใจเราไม่มีทางสงบได้ครับในการทําความดีใจเราไม่มีทางสงบได้เวลาละหมาดเพราะใจของเรายังไม่ได้ให้ความสําคัญกับการละหมาดเพราะเรายังไม่ได้โฟกัส กับการละหมาดคุณน้องที่รักครับว่าะการรสมารับบิฮีฟะสลคิดถึงน้ำต่างๆของผู้อัลล์แล้วทำการละหมาดในที่นี้ครับเป็นคำสั่งจากผู้อัลล์ซุบฮานะตะเร า, า, ราวยาเวลาละหมาดเนี่ยอย่าได้ละหมาดแบบผู้ที่หลงลืมอัลลอฮ์นะเพราะต้องอะไรนะครับต้องคิดถึงน้ำต่างๆของผู้อัลลอฮ์ แล้วก็ทําการละหมาดกลุ่มชนไหนครับที่ไม่ให้ความสํำคัญกับการละหมาดกลุ่มแรกเลยมูนาฟิกคนที่ทําตัวว่าละหมาดแต่ไม่ได้สนใจการละหมาดเลยพรล์ก็ชักล่าวว่าไงครับเมื่อพูดถึงมูนาฟิกตอนละหมาดอยู่รออูนเนสถ้าจะละหมาดก็คือเพื่ออวดให้คนอื่นเห็นให้คนนได้รู้ว่าฉันได้ละหมาดนะเขาจะละหมาดประณีึบครับเวลาที่โพรละ สุบาเนอร์ตราอยู่กับเขาตามลาพังเขาไม่ปาเนียรหรอกแต่ถ้าเป็นคนอื่นเป็นมนุษย์คนอื่นเป็นคนรวยเป็นคนที่ให้คุณให้โทษกับเขาได้เขาจะยิ่งทำการละหมาดแบบว่า <c oughs> ฉันมีสมาธินะฉันสำรวมสุดๆเลยนะทั้งนั้นที่ว่าในความเป็นจริงเขาไม่ได้ความสําคัญอะไรกับการละหมาดเลยเพราะฉะนั้นครับพี่น้องที่รักในเรื่องการละหมาดเนี่ยย้านะครับ ย้ำนะที่พรอกกาวไม่แปลงมองไงครับอินะลูนาฟิกีเนย์ข้าดิอุนัลลอฮะวะฮ่วยข้าดิอุมวยดะความูอีลาสลัติคามูกุซลาบรราผู้กับกอกมนาฟิกเนี่ยเขาหลอกกันเหอซึ่งในความเป็นจริงเนี่ยเขาไม่ได้หลอกลวงอัลลอ์หรอกเพราะเมื่อเขาหลอกกันเหรอพวกเหรอก็ทำให้เขาหลงอยู่กับการหลอกของตัเองเข้าใจผิดว่าตัวเองนั้นหลอกอัลลอ์ได้พังดูบงไหครับวยดะคามูอิลาล ก็มูกูซาละพี่น้องที่รักทั้งผมทั้งพี่น้องทุกคนพวกเราทุกคนต้องระวังเพราะเราบอกคุณลักษณะหลักคุณลักษณะเด่นของมนาฟิกคืออิละกอมูอิละซาละเมื่อเขาจะทําการละหมาดก็มูกูซาและก็จะขี้เกียจก็จะขี้เกียจผมว่าพวกเราทุกคนควรจะต้องสะดุ้งกันนะครับพวกเราทุกคนควรที่จะต้องสะดุ้งกันเพราะผมคิดว่าพวกเราบางครั้ง เราก็ขี้เกียจละหมาดผมไม่พูดถึงคนที่ไม่ละหมาดเลยนะไม่ละหมาดเลยนี่คือหนักสุดๆแล้วต้องรีบเตาบ้าแล้วต้องรีบละหมาดแล้วผมพูดถึงพวกเราที่ละหมาดอยู่พยายามละหมาดครบห้าเวลาแต่ว่าบางครั้งเราก็ขี้เกียจคือตับใดก็ตามที่เราขี้เกียจแต่เรายังละหมาดในเวลาแล้วเราไม่ได้โอ้อวดอะไรเลยละวยังมีอยู่แต่ถ้าเราขี้เกีย เราไม่ละหมาดจนกว่าจะมีคนมาเห็นเราหรือเราจะไม่ละหมาดจนกว่าหมดเวลาแล้วไปรอใช้อันนี้แหละครับน่ากลัวน่ากลัวครับซึ่งพระว่ากล่าวว่าไงครับอยู่รออูนเนสเขานะ่ะถ้าทำก็ทำเพื่ออวดให้คนอื่นเห็นวาเลยัสกูรูนะลอฮอิละกาลีละอันนี้น่ากลัวมากๆพี่นะ้องแล้วเขาจะไม่คิดถึงพระ อ, องค์เลยนอกจากเพียงเล็กน้อย ไม่คิดถึงพวกเลยนอกจากเพียงเล็กน้อยน่ากลัวตรงไหนพวกล้อไม่ได้บอกว่ามูนาฟิกไม่คิดถึงออลล้อเลยนะครับมุนาฟิกยังคิดถึงพวกออลล้ออยู่พี่น้องจากอยัคกูรา่าเนี่ยชัดเจนเลยเขายังคิดถึงพวกล้ออยู่เพียงแต่คิดถึงน้อยมากมันน่ากลัวตรงที่ว่าเมื่อพูดถึงคําว่าน้อยมากแล้วเนี่ยพี่น้องแล้วเราแหละ เราเข้าข่ายรำไม่เสือล้อน้อยหรือคิดถึงผู้อื่นล้อมากต้องถามตัวเองนะพี่น้องต้องถามตัวเองถ้าเกิดละมาดไม่มีสมาธิเลยทําอะไรก็ไม่ได้คิดถึงอัลลอฮ์อะไรก็ตามมีดวัวลืมหมดเลยกินข้าวลืมดวัวกินข้าวอิ่มแล้วก็ลืมดวัวอิ่มขึ้นพาชนะก็ไม่ได้อ่านดัาอัสการ์ตเช้าไม่ได้อ่านอัสการ์ตเย็นก็ไม่ได้อ่านก่อนนอนก็ขี้เกียจอ่านเป็นไปได้ไหม ที่เราจะเข้าขา่เวลาจะกูรุน้นะลอฮ์อิลา ล, ลากรีละเพราะแตเนี่ยคุณรัศดาที่พวกล้อบอกอ่ะที่พวกล้อบอกคือจุดเด่นของมนาเฟิกเลยนะจุดเด่นคืออะไรนะอันแรกละหมาดขี้เกียจอันที่สองถ้ามีคนเห็นปุ๊บก็ละหมาดอย่างปราณีสักหน่อยอันที่3ามคิดถึงอัลลอฮ์น้อยๆพี่น้องว่าเข้าเข้าพวกเราหรือเปล่าเข้าตัวเราหรือเปล่าผมยังกลัวผมเองอนะ่ะผมกลัวเลยว่าจะเข้าไขา่หรือเปล่า ถ้าไม่อยากเข้าข่ายนะพี่น้องอย่างน้อยที่สุดล้ำลึกถึงร้อยมากขึ้นอสกาดเช้าเย็นอย่าทิ้งถ้าเรารักษาได้นะอินชาลอร์เรารอดพ้นจากการเป็นมนาฟิกแล้ ว, พพวเพราะพวาะระบอกมุนาฟิกจะคิดถึงกับร้อนน้อยเดียวนิดเดียวแต่ถ้าเราคุ้นคิดถึงเพราะตลอดเวลาเช้าตื่นแม่อ่านดูอาหลังจากที่เราตื่นนอนปุ๊บอ่านดูอาเข้าน้ำปุ๊บมีดูอาทําัละหมัดดูอาเราเริ่มรู้กับการละหมัด พอช่วงเช้าปุ๊บไปทํางานปุ๊บมีดวงขึ้นยานพานะอ่านอัศการตอนเช้ามีช่วงเวลาไหนคิดถึงอัลลอฮ์ได้คิดถึงพู้รอดตลอดเวลาตอนเย็นปุ๊บอัศการตอนเย็นช่วงละหมาดคิดถึงผู้รอดอินชาอัลลอฮ์ใครก็ตามที่พยายามรักษาได้เนี่ยอย่างน้อยเขาจะรอดผลจากการเป็นมุนาฟิกและอินชาอัลลอฮ์พอผู้รอดบอกมุนาฟิกจะไม่คิดถึงผู้รอดเยอะไงถ้าเราทําตัวให้คิดถึงผู้รอดเยอะๆได้ต ล, ลอดเวลาอินชาอัลลอฮ์ครับเราจะรอดผลจากการเป็นมุนาฟิกซึ่ง ถือว่าเป็นข่าวดีที่สุดในชีวิตแล้วแล้วเพราะอะไรพาะมาฟิกเนี่ยชั่วที่สุดแล้วในกลุ่มคนชั่วทั้งหลายพี่น้องสุดสุดแล้วคนกับกอกเนี่ยที่สุดของที่สุดแล้วเพราะนั้นอย่างน้อยเราต้องทำอะไรก็ได้ให้เรามั่นใจว่าเราจะไม่ใช่กลุ่มนั้นเราจะไม่ใช่มูนาฟิกเพราะว่าวเนี้ครับมูดับดับนบนลิกลาอิลาฮาอลวะลาฮิลาฮาอุลวะไมดิลลาฟยฟลนตจิลลาบีลา มูนาฟิกเนี่ยเขาจะลังเลเขาจะไม่นิ่งอ่ะพี่น้องคือเอ๊จะมาอยู่กับผู้ศรัทธาดีเอ๊หรือจะอยู่กับกาเฟสดีเอ๊ฉันก็อยากอยู่กับผู้ศรัทธานะแต่อยู่ไปก็เมืมีความสุขเอ๊อยู่กับกาเฟสมันก็มีความสุขเอ๊แต่มันก็ไม่ดีคือเวลาที่เราศึกษาพี่น้องพูดตรงๆนะเวลาที่เราศึกษาคุณลักษณะของกาเฟสเนี่ยขอ map เวลาที่เราศึกษาคุณลักษณะของมูนาฟิกเราจะพบว่า หลายข้อมันเข้าพวกเราหลายข้อมันเข้าตัวของเราเองและนี่คือความน่ากลัวครับเหมือนกับถ้าเกิดเราพูดถึงในหนอับดบีมอสลัยซานบอกว่อายุรุณมาฟิกีนสลาซุนเส์ของผู้กับกรอกนั้นมีสามข้อเมื่อพูดเขาก็โกหกเอาข้าวตัวไหมล่ะเอามีโกหกบ้างไหมเมื่อพูดก็โกหกเมื่อได้รับความไว้วางใจก็จะหักหลังเวลาเถียงก็จะเอาชนะ บางฮะดิษบอก 3, บสบางฮะดิษบอกสแต่ที่แน่แน่ก็คือเราจะเพราะว่าคุณลักษณะของมนาฟิกเนี่ยหลายครั้งที่เหมือนกับว่าเหมือนกับว่ามันจะอยู่ในตัวของพวกเราด้วยไหมต้องขออวยาเป็นประจำนะพี่น้องขอดวยาเป็นประจำเพราะาหัวใจของเราเนี่ยมันอ่อนเอหัวใจมนุษย์อ่อนเอพี่น้องหัวใจมนุษย์หรือหัวใจของเราเองเนี่ย มันอ่อนแอเพราะเราบอกคุณล้ก็เรียนสราูดอ้ฟรมันนั้นถูกสร้างมาให้อ่อนแอแล้วใจของเราเราก็รู้ว่าใจของเราอ่อนแอขนาดใจมันชอบจะสั่งแต่สิ่งที่ชั่วร้ายใจมันพร้อมที่จะทําแต่สิ่งที่ไม่ดีใจมันรักสิ่งที่สบายที่มันเป็นเรื่องของโลกลินยาถ้าพูดถึงหัวใจของเราสารพัดครับผมข้อเสียเยอะแยะเต็มไปหมดเยอะแยะเต็มไปหมดเลยเดี๋ยวก็ลืมเรื่องลืมนี่ยิ่งน่ากลัวเลย น่ากลังไงครับพ่อหล่อกล่าวในกุรว ا إ ا إ ا إ นวาเาะวรจนใชอินนีฟาริกาได้ลออัลล์กราบบะคอิดานซตวกุลออ์ดอนีรับบีละอัครบะมินฮานะรอชดาในรคั่อลกล่าวครับว่าแล้วเจ้าจงอย่าได้พูดถึงอะไรก็ตามที่เจ้าจะทำในวันรุ่งขึ้นนอกจากเจ้าต้องพูดว่าอินชาอัลลอ์อย่างที่เราทราบกันหากพระเจ้าประสงค์ เลยบอกว่าฉันจะทําแน่อนอนมันจะเกิดขึ้นแน่อนอนมันจะได้แน่อนอนต้องคิดถึงอัลลอฮ์ก่อนวัสดุกรอบเบกาอีลานาซิตะแล้วก็รีบคิดถึงนายของเจ้าเลยนะเวลาที่เจ้าลืมไปเราน่ยลืมง่ายพอเราลืมปุ๊บเราจะไม่คิดถึงอัลลอฮ์เมื่อเราไม่คิดถึงพว้อัลลอฮ์เราอาจจะเป็นมุนาฟิกเห็นอัตลาได้ยังไหมพี่น้องเพราะนัพวกเราบอกถ้าลืมแล้วคิดได้มีสติคิดได้อัลฮามเดล่ะให้มีคิดถึงอัลลอฮ์เลย เขลี้ิงึงพูดว่อลาสุบฮานหัวตาลาวกุลูาสาวเอ๋อรับบีแล้วก็จงพูดเถิดว่าฉันปรารถนาและอืน่นเหลือเกินว่านายของฉันจะนำทางฉันเพื่อที่ฉันจะเข้าใกล้ชิดพระองค์แปลว่าการหลงลืมทำให้เราออกห่างจากอัลลอฮ์การหลงลืมแปลว่าเราหลุดจากฮิญดายะหรือว่าทางนำซึ่ง เราพร้อมที่จะหลงลืมตลอดเวลาเพราะอะไรครับเพราะการหลงลืมมันมาจากชัยตอนชัยตอนมันไม่อยากให้เราได้ดีไงในสุลักาฟี่พกเราบอกไงครับพูดถึงคําพูดของผู้รับใช้นบีมูซาที่ลืมเตือนนบีมูซาบอกไงครับฟ่อินนีนาซีตุรหุตวามาอันซาเนฮิอิลชัยตอนอันอัสกุรอผมลืมบอกขั้นไปอ่ะที่ผมลืมเนะี่ยเพราะชัยตอนมันทําให้ผมลืมที่จะบอกท่าน พี่น้องสิ่งที่ดีทั้งหลายชัยตอนมันไม่อยากให้เกิดมันไม่อยากให้เราได้ดีมันอยากให้เราลงนรกพี่น้องอย่าลืมพี่น้องเป้าหมายของชัยตอนน่ะชัดเจนเป้าหมายของชัยตอนชัดเจนนับตั้งแต่ยุค ข, ของอิบลิสอิบลิสประกาศต่อหน้าพู้วอลล์หลังจากที่มันรู้ว่ามันเป็นชาวนรกแน่นอนแล้วมันพร้อมเป็นชาวนรกพี่น้องไม่มีใครน่ากลัวในเวลามัคคลุกไม่มีอะไรน่ากลัวเท่าอิบลิสอีกแล้ว เพราะอะไรครับเพราะอิบลิสเนี่ยมันรู้รู้จักพระวจนะมากกว่าพวกเราแล้วมันก็รู้ว่ามันต้องลงนรกแล้วมันก็ยอมที่จะลงนรกโดยที่จะขอทำยังไงก็ได้ให้เราลงนรกกับมันด้วยมันไม่มีเลยจะเสียแล้วไม่มีศัตรู ตัวไหนหรือศัตรูคนไหนจะน่ากลัวไปกว่าคนที่เขาไม่มีอะไรจะเสียที่เขาพร้อมทุ่มหมดหน้าตากับคือเขาไม่แคร์อะไรแล้วอืมเขาจะเสียหายได้ไงเขาไม่สนเขาจะขอให้เราพบความอับปายยศให้เราตกต่ําให้เราพบความเลวร้วายให้มากที่สุดเท่าที่เขาจะเป็นไปได้เพราะฉะนั้นไม่มีอะไรน่ากลัวทั้อิบลิสอีกแล้วในสิ่งที่พรอลาสซูบาฮานุตาสร้างในเวลาศัต ร, าาราาตูทั้งหมดของเราอิบลิสน่ากลัวที่สุดเพราะว่ามันทุ่มหมดหน้าตากัก มันรู้ทุกอย่างที่เกี่ยวข้องกับตัวของเรามันรู้ว่าเราผ่านอะไรมาบ้างมันรู้ว่าเราอยากจะทำอะไรมันรู้ความปรารถนาลึกซึ้งของเราแล้วมันก็รู้วิธีที่จะทำให้เราหลงผิดถ้าไม่ใช่เพราะโพลลัสรุปฮานอตานำทางพวกเราพวกเราทุกคนจบเสร็จอิบลิสหมดพี่น้องว่าจะรอดได้ไงขนาดท่านบีอาดัมยังพลาดเจออิบลิสก็ยังพลาด แล้วเราก็จะพบว่ามนุษย์เนี่ยพลาดครั้งแล้วครั้งเล่าด้วยกับแผนการของอิบริมของทา่านอาดัมพวกเราเก่าไงครับเวลาข้ออหิตนะอิละอาดัมมินกอบฟอนสีเวลามนาจิตโลหุอัสมาอาดัมเนี่ยเราก็ได้ให้พันธสัญญาเรามีพันธสัญญากับอาดัมมาแต่การก่อนฟอนสี asi, แต่เขาก็หลงลืมเวลามนาจิตโลหุอัสมาเราไม่พบว่าเขาเป็นผู้ที่มีความมุ่งมั่นพอตอนที่ลืม เราจะขาดความมุ่งมั่นไอ้ตอนเนี่ยเราคิดได้ใช่ไหมครับเราลืมเรามราลืมถึงอัลลอฮ์เราคิดถึงพวกอัลลอฮ์เราศึกษาคำพูดของพว้อัลลอฮ์แต่พอจบพี่น้องทั้งตัวผมเองทั้งคนพูดทั้งคนสอนทั้งคนเรียนเราก็จะเจอดุลยาแล้วอิบลิสกับชัยตอนสมุนของมันก็จะมาทําให้เราลืมสิ่งที่เราคิดไปทําให้เราลืมความมุ่งมั่นของเราแล้วเมื่อเราลืมนั่นคือหายนะเมื่อเราลืมมันสามารถดึงให้เราพบความชั่วร้ายเท่าไหร่ก็ได้ เท่าที่มันจะดึงไปไม่เกี่ยวเลยว่าเราจะเป็นคนดีแค่ไหนพี่น้องการหลงลืมนี่มันอันตรายนะเพราะไม่ว่าคนจะเป็นคนดีแค่ไหนจะทอาอะมั์อิบาราดีแค่ไหนก็ตามเขาสามารถทำความผิดได้ทุกประเภทเลยเมื่อเขาลืมท่านบียดมเมือมม่อขาดความมุ่งมั่นเมื่อลืมปุ๊บสิ่งที่ตามมาก็คือการฝ่าฝืนพว์สุภาโนตระเช่นเดียวกันกันกบ พวกเราทุกคนผมใช้คำวาพวกเราทุกคนเริ่มจากผมเป็นคนแรกเรารู้ไหมรู้มีหลายอย่างที่เรารู้ที่พ่อเราสอนให้เราที่เราเมตตาเราและอย่างเรารู้แล้วก็มีอีกเป็นจํานวนมหาศาลที่เรารู้แต่เราทำไม่ได้แล้วก็มีอีกหลายอย่างที่เรารู้เราสามารถจะทำได้แต่เราไม่ได้ทำ เพราะเราลืมเพราะเราขี้เกียจเพราะเราติดจับกับดุลยาแล้วอยู่กับดุลยาวันละหลาย10บชั่วโมงเรามีเวลาให้กับไอคารอกของเราน้อยเหลือเกินเสเบียงของเราน้อยเวลาของเราน้อยความรุ่มรุงของเรามันมากแล้วเราจะรอดพ้นจากอิบลิสจากชัยตอนจากสิ่งชั่วไร้าหรือเราจะรอดพ้นจากการลงโทษของพวลอสซูบานแลรลาไปได้อย่างไรนี่คือคําถามที่เราต้องตรวจสอบตัวเองมากๆครับ God of the Hamantazza ว่าดกอร์สมารบบิฮิฟัลลาผู้ที่จะประสบชัยชนะประสบความสำเร็จนั้นคือผู้ที่ขัดเกลวแล้วก็คิดถึงนามของนายของเขาแล้วก็ทําการละหมาดบิรตุซิรูนลฮัยยะเตดุญยะนี่คือประเด็นที่น่ากลัวครับซึ่งเราจะกลับมาคุยกันในครั้งต่อไปเช้าเราพุ่งนี้ด้วยความไม่ตาของผู้รอดสุบฮานุหา์หัวตาละครับผมตอนนี้ขอทักทายพี่น้องนะครับผมคุณอับดุลร้อนนะครับ อยากกระโตกนะครับสละมาว왈กิสลามอัลตลอฮ ว, ว่าบาระกาตุนะครับกำลังศึกษาร่วมกันแล้วก็อยู่โคราชนะครับพี่น้องจากโคราชมาชาอฺละครับได้ขาา่าวว่าอากาศทางนั้นหนาวกว่าทางเหนือนะครับผมก็ไม่รู้เป็นยังไงนะครับผมก็ขอพลอคุ้มครองทุกท่านเช่นเดียวกันแล้วก็ขอมีสุขภาพพาราไมที่แข็งแรงครับผมเอคุณนสไวยนะครับประทามดีละบาร์กะลอฟิคุมพี่วันนี้นะครับมาชาอฺละนะครับสละมาเต็มๆก็ ว, วัลกสุสละมตลววอตุลลอฮว่าบาระกาตุเช่นเดับคุณนสาะอาดนะครับ ขาดไปหนึ่งท่านก็ยังคงคิดถึงอยู่แล้วก็ยังคงดูอาให้ทุกท่านเสมอ น, นะครับผมบุญและสารสละมากวาริยุสรามบุลลอห์บะเบรกาตัวจาาันทระครับบอกกรบีชัดเจนเช่นเคยนะครับท่านอาจารย์มาชาละนะครับผมคุณชาเลียามาชาลรับชมต่อครับคุณนาราลูกอรุณก็เช่นเคยสลาะมาพร้อมกับสามวักนะครับสามวักทองที่พ้นมาตลอดขอบคุณมากครับวาริยุมสรามบุลลอห์บะเบรกาตัวะวาาจัจจกุมุลลาฮุคอยรังครับผมครับ บุคคลที่ดีที่สุดคือบุคคลที่เขาศึกษาเพื่อที่จะรู้แล้วเขาก็ได้ทําแล้วเขาก็ได้บอกต่อใครก็ตามทําได้ครบตามนี้อัลฮัมเลยละนี่คือกลุ่มบุคคลที่ทําสิ่งที่ดีที่สุดเท่าที่เป็นไปได้แล้วนะครับผมส่วนใครที่ยังพลาดตรงไหนนะครับก็ขอจากผู้ลัทธิสุบาตรา น, นั้นให้เราได้ชดเชยให้เรานั้นได้ทําสิ่งที่เราขาดไปครับผมครับพี่น้องที่รักเป้าหมายวางให้ชัดเอาให้ชัดเจน มีความมุ่งมั่นแล้วเมื่อไหรก็ตามถ้ามันจะลืมไปบ้างซึ่งเป็นธรรมชาติของมนุษย์เรามีดลงลืมแน่นอนเมื่อไรก็ตามมันลืมไปแล้วเท่าคิดถ้าคิดได้ปุ๊บให้รีบพิสถึงผูหห้อัลลอฮฺซุบฮานาวะตะให้รีบขอไปถ่วต่ออัลลอฮฺให้รีบขอความเมตตาจากพระองค์ให้รีบขอทางนําจากพระองค์แล้วก็พยายามทําตัวเองให้ดีขึ้นไปเรื่อยๆแล้วชาวลอคับเราจะเป็นหนึ่งในบรรดาผู้ที่ประสบชัยชนะแล้วเราก็จะรอดพ้นจากการเป็นมุนาฟิกแล้วเราก็จะรอดพ้นจากความโกรธกิวของผู้อัลลอฮฺ دعو خ م ي ت لكم ب الله سبحانه وتعالى خب أقول كلي هذا و ا س ت ف ل و ا الله لي ولكم و ر س ا ئ ل المسلمين من كل من كل ذم س ت غ ف ر و إنه وقفوهم سبحانك الله م ح ب ا ً أشهد أن لا إله إلا الله أ س ا غ ف ر و ي و أ ل ي ع ي أسرع بكم و ر ح م ا ا ل ل ه وبركاته